หนังสือเรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการบทที่สีเจ็ดปีที่ว่างสงครามที่ว่าว่างสงครามถึงเจ็ปีนั้นหมายความว่าระยะเวลาระหว่างที่พมา่ามาประชิดกรุงคราวที่แล้วกับที่จะมาประชิดกรุงในคราวต่อไปนี้ห่างกันถึงเจปีแต่ในระหว่างเจ็ดปีนั้นกองทพัพพม่าได้เข้ามาลุกรานเราทางปักใต้ เป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าภัยจากพมา่ายังไม่หมดไปยังจะมีขึ้นใหม่อีกในภายหน้ากรุงศรีอุษยามีเวลาที่จะเตรียมการป้องกันถึงเจ็ดปีถ้าเป็นสมัยที่มีพระมหากษัตริย์เข้มแข็งสามารถก็คงจะจัดการป้องกันได้เพียงพอแต่เราไม่เป็นเช่นนั้นภายหลังที่กองทัพพมา่ายกกลับไปแล้วเราเตรียมการป้องกันตกแต่งพระนครบ้างแต่เผอิญทางพมา่าเกิดเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากพระเจ้าอาลองพยาสิ้นพระชนน์เป็นเรื่องธรรมดาของประวัติสายพมา่าซึ่งรุ่งโรจน์ขึ้นมาเป็นพักๆด้วยความสามารถของคนคนเดียวเช่นอโนรธาตะเบงชเวตี้วูเรงนองอลองพยาพอสิ้นบุญผู้มีอำนาจวาสนาเหล่านี้ความยุ่งยากระสำนัสายก็มักจะมีขึ้นทันทีและกว่าจะปราบให้สงบลงได้ก็ต้องใช้เวลาไม่มากก็น้อย เมื่อพระเจ้าอัลองพญามาสิ้นพระชนลงในการศึกสีอัจฉยาครั้งนี้ความยุ่งยากก็บังเกิดขึ้นเมื่อมังลอกราชบุตรได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพวกมึงขึ้นทั้งหลายก็พากันกระด้างกระเดืองแม้พมา่าด้วยกันเองก็แตกแยกไม่กลมเกลียวกันเช่นมังค้องนรทาแม่ทพมัพพม่าคนที่ตีทัพพยายมราชแตกที่ปากน้ําตะนาวศีนั้นเกิดตั้งตนเป็นอิสระขึ้นในเมืองอังวะ ไม่ยอมอยู่ใต้ความปกครองของมังลอกพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่อันที่จริงมังลอกเองก็ไม่ใช่คนมีฝีไม้ลายมือแต่มังระราชบุตรองค์ที่สองเป็นผู้เข้มแข็งในการรบได้เป็นกำลังของพ่อมาตั้งแต่เริ่มตั้งตัวมาจนกระทั่งตีกรุงศรีอยุธยาเคราะดีของพ่อมาไม่ใช่เคราะดีของชนชาติอื่นมังลอกกับมังระสองพี่น้องกลมเกลียวไม่แตกแยกกัน ได้ช่วยกันปราบปรามพวกที่แข็งอำนาจและใช้เวลาปราบอยู่ตั้งสองปีข่าวความแตกแยกระสัมระสายทางพมา่าได้แพร่เข้ามายัางกรุงศรีอยุธยาพอเราทราบข่าวนี้ก็เลิกการตรเตรียมป้องกันบ้านเมืองเพราะเชื่อว่าพม่าจะยุ่งยากไปอีกนานอาจจะต้องการเวลาอีกหลายสิปีกว่าจะกลับมาตีเมืองไทยได้ประมาโทมัจุโนประทัง ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเป็นพุทธพจน์ที่เราเล่าเรียนกันมานักหนาและพระก็เทศให้เราฟังเสมอแต่เราก็ไม่จํานอกจากวางมือเรื่องการเตรียมตัวสู้ค่าศึกแล้วความปั่นป่วนในราชสำนักก็เกิดขึ้นใหม่เพราะข้าราชการแตกแยกกันอยู่แล้วเป็นสองพวกฝ่ายสมเด็จพระสุริยาอาอมรินทร์พวกหนึ่งฝ่ายสมเด็จพระอุทุมพรพวกหนึ่งในระหว่างสู้ศึกพม่าครั้งที่แล้ว พวกฝ่ายสมเด็จพระสุริยาทอมรินอับเฉาไปและสมเด็จพระอุทุมพรก็เข้มงวดกวดขันในการสู้ศึกครั้นเมื่อเสร็จศึกแล้วพวกสมเด็จพระสุริยาทอมรินก็พยายามจะเบ่งและสมีขึ้นใหม่ขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายสมเด็จพระสุริยาทอมรินคนหนึ่งเพชรทูลแด่สมเด็จพระสุริยาทอมรินว่าขอเดชะการที่พมา่าแพ้พ่ายไปครั้งนี้ก็ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์เอง สมเด็จพระสุรยิยะอมรินทร์รับสั่งถามว่าไม่ใช่ด้วยสติปัญญาความสามารถของอุทุมพรดอกรึขุณนางคนเดิมกราบดวงคมทูลต่อไปว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าอารลองพยาบัญชาการยิงปืนใหญ่ด้วยตัวเองลูกปืนถูกยอดพระที่นั่งสุรยิยะอมรินทร์พังลงบุญญาธิการของพระองค์บรรดาให้ปืนแตกต้องตัวอลองพยาพ่อมาจึงต้องถอยทักลับไป อันที่จริงคำเพชรทูลของเขาก็มีเหตุผลที่น่าเชื่อยิ่งสำหรับผู้ที่อยากจะเชื่ออยู่ด้วยแล้วก็เชื่อได้สนิทดีทีเดียวหุนนางผู้ใหญ่ทูลต่อไปว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมเลยว่าสมเด็จพระอนุชาธิดาชจะซื่อตรงจงรักต่อพระองค์เวลานี้กำลังต้องสูงผู้คนหาพวกพ้องมากมายเกรงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมว่าต่อไปภายหนะ้า เรื่องแยกราชะสมบัติก็คงจะมีขึ้นข้าพระ เ, เจ้าไข่ขอกราบบังคมทูลให้ทรงระวังพระองค์ในเรื่องนี้ก็จริงของเขาอีกพรรคพวกของสมเด็จพระอุทุมพรมีมากขึ้นทุกทีและมีเป็นสองประเภทประเภท1คือพวกที่เห็นด้วยความสุจริตใจว่าในสมัยที่บ้านเมืองขับขันล่อแหลมต่ออันตรายอย่างนี้ก็มีแต่สมเด็จพระอุทุมพรพระองค์เดียวที่จะทรงบัญชาการบ้านเมืองสู้ศึกพมา่าได้ ส่วนอีกประเภทหนึ่งเช่นพญาลัตนาทิเบศเข้ามาเป็นพวกด้วยการเสี่ยงโชคโดยเข้าใจว่าบุญวัสนาของสเด็จพระอุทุมพรคงจะยั่งยืนต่อไปจึงอยู่กับฝ่ายนี้บุคคลประเภทนี้อาจจะกลับไปกลับมาอยู่กับฝ่ายไหนก็ได้ตามที่เขาเห็นว่าจำเป็นสมเด็จพระสุริยาอาอมรินทร์ทรงทราบดีว่าพระองค์ไม่สามารถจะทาการรุนแรงกับสมเด็จพระอุทุมพรได้ เพราะพวกมากเหมือนกันมากยิ่งกว่าพวกของพระองค์เองเสอีกแต่ก็ทรงรู้พระนิสัยของสมเด็จพระอนุชาทิราชว่าถ้าทำอะไรให้กระทบใจเข้าสักเล็กน้อยก็จะไปเองโดยไม่ต้องกําจัดฉะนั้นในวันหนึ่งเมื่อสมเด็จพระอนุชาเข้ามาเฝ้าเพื่อปรึกษาข้อราชการแผ่นดินสมเด็จพระสุรยิยอาทิราชก็ถอดพระแสงดาบวางพาดบนพระเพลาแล้วก็รับสั่งข้อราชการด้วย โดยกริยาท่าทางที่แสดงว่าไม่ทรงไว้วางพระไทยในสมเด็จพระอนุชาที่ราชเพียงเท่านั้นก็พอแล้วสมเด็จพระอุทุมพรเองก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่มีความมักใหญ่ไฟสูงการที่รับเข้ามาบัญชาการบ้านเมืองในยามศึกสงครามก็ด้วยความขอร้องของพระเชษฐาเองเมื่อสมเด็จพระเชษฐาที่ราชทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ไว้วางพระไทยอย่างนี้ ก็ไม่ทรงปรารถนาที่จะอยู่ต่อไปจึงเสด็จออกจากพระราชวังไปประทับอยู่หน้าตำหนักบ้านคำหยาิแขวงเมืองวิเศษชัยชาญแล้วก็ทรงผนวดใหม่ที่วัดโพทองซึ่งอยู่ใกล้ตำหนักนั้นเมื่อทรงผนวดแล้วก็เสด็จกลับมาประทับอยู่ที่วัดประดู่ลงธรรมซึ่งเป็นวัดที่เคยประทับอยู่เมื่อก่อนที่จะถูกเชิญพระองค์กลับเข้ามาบัญชาการบ้านเมือง บางทีจะเนื่องจากที่สมเด็จพระอุทุมพรไปประทับอยู่ที่บ้านคำหยาดและทรงผนวชที่นั่นจึงทำให้ชาววิเศษชัยชาติมีกำลังใจในการต่อสู้พามา่าถึงกับได้ฝากชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียติคุณไว้ในประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นอันมากเรื่องที่พาม่าต้องถอยทัพกลับไปจากกรุงศรีอยุธยานั้นบรรดาหัวเมืองไกลทั้งหลายทราบความจริงน้อยเต็มทีโดยมากเข้าใจกันว่า กำลังรบของกรุงศรีอัยธยาเข้มแข็งจนพม่าไม่สามารถจะตีได้พระเจ้าอลองพญาเองถึงกับสิ้นพระชนดูเป็นความพ่ายแพ้ของพม่าอย่างใหญ่เขาไม่รู้กันว่าฝ่ายเราพ่ายแพ้อยู่เท่าไหร่คนนึกว่าเป็นอย่างครั้งก่อนๆนในพงศาวดารเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฉะนั้นบรรดาพวกที่แข็งเมืองในขณะที่พม่าตกอยู่ในความระสำนระสายภายหลังการสูญเสียอลองพญานั้น ครั้นเมื่อมังลอกมังระปราบการกระด่างกระเดืองในประเทศพาม่าได้สําเร็จพวกนี้ก็ร้อนใจเกรงพาม่าจะมาทําโทษจึงหันมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาโดยเข้าใจว่ากําลังทางกรุงศรีอยุธยาเข้มแข็งมากพวกที่เข้ามาขอพึ่งโพธิสมภารของสมเด็จพระสุริญาาอมรินนั้นคือหุยตองจาผู้ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นในเมืองถวายและเจ้าลําพูนเจ้าเชียงใหม่ จึงกลัวพมา่าจะมาปราบเช่นเดียวกันสมเด็จพระสุรยิยอาทมรินทร์ได้ทรงรับเมืองเหล่านี้ไว้ในฐานเป็นเมืองพึ่งพระบรมโพธิสมภารการที่เมืองเหล่านี้มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร น, นั้นยิ่งทําให้เราตกอยู่ในความประมาทมากขึ้นเพราะการที่เมืองเหล่านั้นมาขอพึ่งเรานั้นทําให้เราเข้าใจว่าพมา่ากําลังอ่อนแอเต็มทีเราเองก็ไม่ทราบความจริงว่าการที่พวกนี้มาขอพึ่งเรา เพราะเหตุที่พม่าเริ่มกับแข็งขึ้นเราเข้าใจไปในทางที่ตรงกันข้ามจึงได้ละเลยการตระเตรียมทุกอย่างและเมื่อได้กําจัดสมเด็จพระอุทุมพร อ, ออกไปแล้วขาดมือที่เข้มแข็งสําหรับรักษาการบ้านเมืองแล้วกรุงศรีอยุธยาก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมคือความเหลวแหลกนานาประการความขาดความข่าวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขสบายเฉพาะหน้า ก็ได้กลับเข้ามาครอบคลองกรุงศรีอยุธยาใหม่พระเจ้ามังลอกโอรสที่หนึ่งของอลองพยาสเสวยราชได้เพียงสีป่ปีสิ้นพระชนในเดือนอ้ายแรมก้าข้าพุทธศักราช 2,306 มังระโอรสองค์ที่สองของอลองพยาที่มีชื่อว่าเข้มแข็งในศึกสงครามได้รับราชสมบัติต่อมาได้เริ่มปราบทางทวายก่อนคือในพุทธศักราช 2,307 พระเจ้ามังระได้ให้มังมหาราชายกกองกองทัพลงไปตีเมืองทวายแล้วก็เลยตีได้มาฤตและตะนาวศรีส่วนทางเชียงใหม่นั้นก็ได้ให้แม่ทัพชื่อเนมียวสีหบดียกมาตีได้ล้านนาทั้งหมดแล้วก็ไปตีล้านช้างได้เมืองหลวงพะบางเป็นอันว่าในพุทธศักราช2307นี้เองกองทัพพม่าสองกองทัพใหญ่ มาอยู่ที่ประตูบ้านของเรากองทัพฝ่ายเหนือของเนเมียวสีหบดีอยู่ที่เชียงใหม่กองทัพฝ่ายใต้ของมังมหันตรธาอยู่ที่ทวายและกองทัพฝ่ายใต้นี้ก็ได้เริ่มลุกรานไทยโดยเข้ามาตีเมืองมะลิวันเมืองกระเมืองระนองเมืองชุมพรเมืองชัยยาแล้วย้อนกลับขึ้นมาเมืองปะทิวเมืองกําเนิดนพคุณเมืองคลองวานเมืองกุยเมืองปราณ แล้วก็ขึ้นมาเพชรบุรีแต่ที่เมืองเพชรบุรีนั้นเราส่งกองทัพไปรับไว้ทันกองทัพที่ไปรักษาเมืองเพชรบุรีนั้นมีนายทัพสองคนคือพญาพิพัฒนโกษาและพระยาตากศินซึ่งจะเป็นผู้กู้ชาติต่อไปภายหน้ากองทัพพม่าที่ยกมาในครั้งนี้มาอย่างเป็นกองโจรเที่ยวตีบ้านเมืองต่างๆอย่างลักษณะปล้นสะดมคือเผาผลาญบ้านเรือนและเก็บทรัพย์สมบัติเมื่อมาพบกําลังกีดกั้นอยู่ที่เพชรบุรี ก็หยุดการลุกรานเพียงแค่นั้นแล้วถอยกลับออกไปทางด่านสิงขรแต่ถึงพมา่าจะถอยกลับออกไปแล้วการคมนาคมระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองปักใต้ก็ต้องหยุดชะ ง, งักไปเพราะไม่รู้ว่าพมา่าจะซุกซ่อนอยู่ที่ไหนและจะเข้ามาอีกเมื่อไรหัวเมืองปักใต้ได้ถูกปล่อยไว้ให้รักษาตัวเองโดยลำพังต่อมาอีกปีหนึ่งคือในปีพุทธศักราช2308 พมา่าได้เริ่มรุกเป็นการใหญ่โดยที่กองทัพสองกองได้ลุกเข้ามาในเวลาใกล้ๆกันกองทัพฝ่ายเหนือของเนเมียวสีหบดีรุกมาจากทางเหนือกองทัพฝ่ายใต้ของมังมหานรธาลุกเข้ามาจากทางใต้พมา่าได้เมืองพิชัยเมืองสวรรคโลกเมืองสุขโขทยัยแล้วก็เข้าตั้งมั่นอยู่ในสุขโขทยัยหลงจบไกลแดนเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเข้ารับราชการอยู่ในเมืองเหนือ และพระยาโยมราชได้จัดการฝากฝังให้ได้ทํางานอยู่ที่พิษณุโลกอยู่กับเจ้าพระยาพิษณุโลกแล้วก็ได้ส่งคน ล, ลงมารับนิ่มนวนพนลพระยาของเขาให้ขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่พิษณุโลกเป็นอันว่าครอบครัวสองครอบครัวคือครอบครัวหลวงจบไกลแดนกับหลวงแสนพลภาพต้องแยกกันเป็นครั้งแรกเขาจากกันด้วยความรักความอะไรแต่ก็เห็นว่าในยามที่บ้านเมืองขับขันอย่างนี้ เขาไม่สามารถจะเลือกที่อยู่หาความสุขความพอใจได้เสมอไปแต่เขาก็ยังมีหวังว่าเมื่อศึกสงครามเสร็จสิ้นลงแล้วเขาคงจะได้พบกันใหม่และจะได้อยู่ด้วยกันโดยความสุขสบายต่อไปทั้งหลงจบไกลแดนและนิ่มนวลพอใจในความเป็นอยู่ที่พิษณุโลกเขารู้ว่าที่พิษณุโลกก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยตรงกันข้ามพิษณุโลกอาจจะต้องเผชิญภัยก่อนกรุงศรีอยุธยา แต่ก็มีความสบายใจอย่างหนึ่งในพิษณุโลกคือไม่ต้องอยู่ในระหว่างความยุ่งยากอิจฉาหรือสยาขันแข็งแย่งอำนาจของพวกคนใหญ่คนโตทั้งหลายซึ่งทำให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเช่นหลวงจบไกลแดนต้องเดือดร้อนไปด้วยชีวิตของเขาที่พิษณุโลกเป็นชีวิตที่สงบสงัดสงบมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2,308 ส่วนตัวหลวงจบไกลแดนนั้น ก็ได้ทํางานเป็นที่พออกพอใจของเจ้าพระยาพิสุนุโลกเจ้าพระยาพิสุนุโลกได้ใช้สอยใกล้ชิดเป็นลําดับมาเขารู้ดีว่าเขาได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ใหญ่ที่ดีกว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขาเคยพบมาแต่ก่อนแม้ว่าจะไม่ดีทุกอย่างดังที่เขาหวังก็ยังดีกว่าเจ้าใหญ่นายโตเป็นอันมากในกรุงศรีอยุธยาส่วนเจ้าพระยาพิสุนุโลกเองก็เห็นหลงจบไกลแดน เป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดอันที่จริงหลวงจบไกลแดนก็ไม่ใช่เด็กแล้วเวลานั้นหลวงจบมีอายุถึง35ปีเป็นวัยดีที่สุดสำหรับใช้งานความคิดความอ่านอยู่ในระหว่างกลางคือไม่สุ ข, ขุมเชื่องช้าอย่างคนแก่แต่ก็ไม่โลดโผนดุนแรงอย่างคนหนุ่มเจ้าพญาพิษณุโลกได้ให้ความไว้วางใจแกหลวงจบไกลแดนถึงกับปรึกษาหารือกิจการบางอย่างด้วย เขากลายเป็นข้าราชการคนสนิทคนหนึ่งของเจ้าพญาพิษนุโลกเจ้าพญาพิษณุโลกพูดกับหลวงจบไกลแดนเป็นการส่วนตัวครั้งหนึ่งว่าแปลว่าเมืองหลวงเราจะไม่สู้เขาเลยรึหลวงจบไกลแดนตอบด้วยวิธีย้อนถามโดยถือวิสาสะอย่างคนสนิทว่าทําไมจะไม่สู้ครับเจ้าพญาพิษนุโลกกล่าวว่าก็ไม่รู้หรึไม่เห็นใครเขาสู้นี่เมืองสุโขทยัยเมืองสวรรคโลก เมืองพิชัยหมดไปแล้วหลวงจบไกลแดนพูดต่อไปว่าต่อไปก็จะมาถึงพิษนุโลกครับเจ้าพญาพิษนุโลกกล่าวว่าถ้ามาถึงนี่ฉันสู้หลวงจบไกลแดนย้อนถามว่าทำไมต้องรอให้มาถึงแล้วครับเจ้าพญาพิษนุโลกจึงถามว่าทำไมเธอคิดว่าเราควรจะยกขึ้นไปตีพม่าหรือหลวงจบไกลแดนพูดว่ากระผมมีความคิดอย่างนี้ ผิดพังประการใดกระผมขออภัยโทษเจ้าพญาพิษณุโลกกล่าวอนุญาตว่าว่าไปเถอะหลงจบไกลแดนจึงพูดว่าพม่าตีได้เมืองพิชัยเมืองสวรรคลโลกเมืองสุโขทยัยแล้วก็หยุดอยู่ที่สุโขทยัยกระผมเข้าใจว่าการที่เขาหยุดอยู่ที่สุโขทัยยังไม่ลงมาตีพิษณุโลกนั้นก็เพราะเขารู้ว่ากําลังของเขายังไม่เพียงพอเขาอาจจะหากําลังเพิ่มเติมให้ได้เพียงพอเสียก่อนจึงจะยกมาตีพิษณุโลก ก็ทำไมจึงจะปล่อยรอให้เขาได้กำลังเพิ่มขึ้นทำไมเราไม่จู่โจมขึ้นไปตีพม่าที่สุโขทัยในเวลานี้เจ้าพญาพิษณุโลกได้ฟังก็พูดว่าฟังดูก็ชอบกลหลวงจบไกลแดนพูดว่าก้าวกระผมเห็นอย่างนี้ผิดพังประการใดขออภัยโทษเจ้าพญาพิษณุโลกไม่ตอบประการใดแต่พอวันรุ่งขึ้นก็ส่งม้าเร็วรีบไปชักชวนหัวเมืองเหนือที่ยังไม่อยู่ในมือพม่า ให้รวมกำลังกันมาตีพมา่าที่สุขโขทยัยและตัวเจ้าพญาพิศนุโลกเองก็คุมกองทัพเท่าที่จะหาได้ในพิศนุโลกขึ้นไปสุขโขทยัยหลวงจบไกลแดนได้ขออาสาเป็นกองหน้าพร้อมกับนายแก้วเพื่อนคู่ชีวิตของเขาและคราวนี้ก็อีกเหมือนกันนิ่มนวลไม่สามารถจะไปในกองทัพเพราะสามีไม่ยอมให้ไปนิ่มนวลจึงถูกทอดทิ้งไว้ในพิษณุโลกหลวงจบไกรแดนกับนายแก้ว เห็นเป็นโอกาสดีวิเศษที่จะได้ทำงานสนองคุณบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ได้ทำการรบอย่างจริงจังเป็นความจริงดังที่เขาคาดหมายกองกำลังของพ่อมา่ที่สุขโขทัยมีไม่มากนักที่สามารถยกล่วงมาได้ถึงสุขโขทยัยก็เพราะไม่ได้ประสบการต้านทานอย่างเข้มแข็งในที่แห่งใดเขามั่นใจว่าถ้ากองทัพหัวเมืองเหนือที่เจ้าพระยาพิสุุโรคเรียกร้องชักชวนไปนั้น มาพร้อมกันเข้าเมื่อใดก็คงจะระดมกําลังกันขับไล่พม่าให้พ้นไปจากหัวเมืองเหนือของไทยได้กองทัพเจ้าพระยาพิสณนุโลกเป็นแต่ตั้งล้อมเมืองสุขโขทัยไว้ทําการรบเพื่อรบกวนพมา่ามิให้อยู่เป็นสุขได้และตั้งกองลาดตะเวนคอยตัดเส้นทางลำเลียงของพมา่าและคอยสืบสวนเพื่อให้รู้ว่าพมา่าจะได้กาลังมาเพิ่มเติมทางใด แต่ในระหว่างที่กองทัพของเจ้าพญาพิสุนุโลกกําลังลบสู้อยู่ที่สุโขทัยนี้ทางพิสุนุโลกก็เกิดเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายขึ้นมีเจ้านายชั้นสูงพระองค์หนึ่งซึ่งพระราชพงศาวดารเรียกชื่อว่าเจ้าฟ้าจีดเป็นเจ้านายที่มีชาติกําเนิดสูงมากเพราะเป็นลูกของพระองค์เจ้าแก้วราชบุตรของสมเด็จพระเพทราชานับว่าเป็นหลานผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจากพระเพชรราชา ปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงนอกจากเชื้อสายที่สูงสักทั้งพระบิดาคือพระองค์เจ้าแก้วแล้วเชื้อสายทางพระมารดาก็สูงมากเพราะพระมารดาของเจ้าฟ้าจีดนั้นคือเจ้าฟ้าเทพราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแปลว่าสูงสักทั้งฝ่ายพระบิดาและพระมารดาจึงมีฐานันดรเป็นเจ้าฟ้าเรียกพระนามตามพระราชวงศาวดารว่าเจ้าฟ้าจีด แต่เจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมมาไม่น้อยเหมือนกันพระบิดาต้องสำเร็จโทษครั้งกบฏกลางเมืองสมัยที่สมเด็จพระบรมโกศขึ้นเสวยราชเพราะพระองค์เจ้าแก้วพระบิดาของเจ้าฟ้าจีดนั้นเป็นพวกเจ้าฟ้าปอยเมธเจ้าฟ้าจีดมีพระคณิษฐาสององค์คือเจ้าฟ้านิ่มและเจ้าฟ้าสังวาลได้เป็นพระชายาในสมเด็จพระบรมโกศถูกหาว่าเป็นชู้กับกรมขุนเสนานพิทักษ์ ซึ่งเป็นโรคสำหรับบุรุษและเป็นคุทรราชเจ้าฟ้าสังวานถูกเคี่ยนจนตายส่วนเจ้าฟ้านิ่มทนการเคี่ยนได้ไม่ตายด้วยการถูกเคี่ยนแต่ก็ถูกขังจนตายตัวเจ้าฟ้าจีดเองก็ต้องโทษจำขังอยู่ในพระราชวังแต่ภายหลังมีคนของตัวชื่อหลวงโกษานามเดิมว่าผลเป็นข้าราชการอยู่เมืองพิษณุโลกมาช่วยคิดอ่านเอาตัวหนีออกจากที่คุมขังในพระราชวังได้ พาเบาไพร่หนีขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลกเจ้าฟ้าจิตขึ้นไปถึงพิษณุโลกในขณะที่เจ้าพระยาพิษณุโลกกําลังไปรบพ ม, ม่าอยู่ที่สุโขทยัยบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ก็ต้องไปทับกับเจ้าพระยาพิษณุโลกเหลือแต่ข้าราชการชั้นกลางๆอยู่รักษาเมืองท่านผู้หญิงเชียงภริยาของเจ้าพระยาพิษณุโลกก็ยังอยู่ในพิษณุโลกและนิ่มนวลภริยาของหลวงจบไกรแดน ก็ได้กลายเป็นคนใกล้ชิดอยู่กับท่านผู้หญิงเชียงยิ่งในขณะที่สามีต้องไปทับนิ่มนวลก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้หญิงเชียงตลอดเวลาวันหนึ่งในขณะที่นิ่มนวลอยู่กับท่านผู้หญิงเชียงมีเสียงเอะอะขึ้นมาบุญจวนไม่ใช่เสียงเออะของคนทะเลาะวิวาทกันแต่ดูเป็นเสียงของผู้วางอํานาจใหญ่หลวงซึ่งทําความประหลาดใจให้แก่ท่านผู้หญิงและนิ่มนวลเป็นอันมากเพราะไม่เคยมีใครมาทําเสียงวางอํานาจบุญจวนนี้ได้ นอกจากท่านเจ้าคุณและเสียงนั้นก็ไม่ใช่เสียงของท่านเจ้าคุณท่านผู้หญิงเชียงกับนิ่มนวลกำลังอยู่ด้วยกันในห้องได้ออกมาทั้งสองคนพบคนเจ็ดแปดคนอยู่ในห้องโถงคนหนึ่งซึ่งท่านผู้หญิงเชียงรู้จักคือหลวงโกษาเพราะเป็นข้าราชการอยู่ที่พิษณุโลกเองท่านผู้หญิงถามหลวงโกษาเพราะเมื่อไม่รู้จะพูดกับใครก็ต้องพูดกับคนที่รู้จักว่าอะไรกันคุณหลวง ผู้ชายคนที่วางท่าใหญ่โตซึ่งภายหลังท่านผู้หญิงเชียงได้ทราบว่าเป็นเจ้าฟ้าจีดพูดว่านี่เมียเจ้าพยาพิสนุโลกหรือหลวงโกษาทูลตอบว่าพระเจ้าค่ะท่านผู้หญิงถามหลวงโกษาอีกว่าอะไรกันคุณหลวงเจ้าฟ้าจีดก็ถามหลวงโกษาว่าเขาไม่รู้จักฉันรึอหลวงโกษาทูลตอบว่าคงไม่รู้จักพระเจ้าค่ะเจ้าฟ้าจีดพูดกับหลวงโกษาว่า ก็ให้เขารู้จักเสียสิหลวงโกษาได้บอกพระนามแก่ท่านผู้หญิงและเมื่อได้ทราบ พ, พระนามทั้งท่านผู้หญิงและนิ่มนวลก็รู้ว่าเป็นใครทุกคนเคยได้ยินชื่อเจ้าฟ้าจีดแต่มีน้อยคนที่จะเคยเห็นองค์เพราะถูกจับขังอยู่ตลอดเวลาท่านผู้หญิงหันไปถามหลวงโกษาว่าจะประทับที่นี่หรือเจ้าฟ้าจีตรับสั่งกับหลวงโกษาว่าบอกให้เขารู้เสียว่าฉันมาทาไม หลวงโกษาจึงบอกแก่ท่านผู้หญิงว่าสมเด็จเจ้าฟ้าสเสด็จมาจะครองพิษณุโลกท่านผู้หญิงได้ฟังก็กล่าวด้วยความประหลาดใจว่าอ้าวเปลี่ยนตัวผู้ครองพิษณุโลกเสียแล้วหรือเจ้าฟ้าจิตรับสั่งกับหลวงโกษาว่าบอกให้เขารู้ว่าฉันเปลี่ยนเองท่านผู้หญิงก็พูดกับหลวงโกษาว่าแปลว่าอะไรเปลี่ยนเองเจ้าฟ้าจิียังคงรับสั่งกับหลวงโกษาว่าหลวงโกษา อธิบายให้เขาเข้าใจหน่อยสิเป็นอันว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้ท่านผู้หญิงเชียงและเจ้าฟ้าจีตยังไม่ได้พูดกันตรงตัวแต่ใช้หลวงโกษาเป็นล่ามหลวงโกษาพูดอย่างไม่สะดวกใจนักว่าคือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าทรงถืออำนาจขึ้นครองพิษณุโลกท่านผู้หญิงถามว่าถืออานาจอย่างไรหลวงโกษาตอบว่าทรงถืออานาจขึ้นครองเองครับ ท่านผู้หญิงจึงถามว่าแปลว่าไม่มีการแต่งตั้งมาจากกรุงศรีอยุธยาอย่างนั้นหรืเจ้าฟ้าจิตรับสั่งผ่านหลวงโกสาว่าบอกเขาว่าไม่จําเป็นคราวนี้ท่านผู้หญิงเห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้ล่ามอีกต่อไปจึงได้หันมาพูด ก, กันกับเจ้าฟ้าจิตโดยตรงว่าหม่อมฉันฟังไม่เข้าใจเรื่องอะไรเลยขอประธานพระกรุณาให้หม่อมฉันทราบว่าเหตุผลต้นปลายเป็นอย่างไรกัน เจ้าฟ้าจีทรับสั่งว่าไม่มีเหตุผลต้นปลายอะไรฉันขึ้นมาครองพิษณุโลกฉันก็จะต้องครองพิษณุโลกท่านผู้หญิงถามว่ามีพระบรมราชโองการหรือสารตราแต่งตั้งหรือเปล่าเพคะเจ้าฟ้าจีทรับสั่งว่าฉันบอกว่าฉันมาขึ้นครองเองจะต้องมีพระบรมราชโองการหรือสารตราอะไรท่านผู้หญิงทูลตอบว่าถ้าเช น, นั้นก็ส่งครองไม่ได้เจ้าฟ้าจีทรับสั่งว่าทําไมท่านผู้หญิงจึงตอบว่า เพราะสามีของหม่อมชั้นดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพิศนุโลกโดยพระบรมราชองการแล้วก็ยังไม่มีการถอดถอนเจ้าฟ้าจีรับสั่งว่าฉันนี่แหละเป็นคนถอดทำให้ท่านผู้หญิงต้องย้อนถามไปว่าทรงถืออำนาจอะไรเพคะเจ้าฟ้าจี ต, ตอบว่าเวลานี้บ้านเมืองละสําระสายทางกรุงศรีอยุธยาก็ทุดโทรมเสื่อมซามทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะต้องมาตั้งพิศนุโลกขึ้นเป็นเมืองหลวง และตั้งวงกษัตริย์ใหม่ท่านผู้หญิงพยายามผัดผ่อนว่ารอให้สามีของหม่อมฉันกลับจากทัพเซกอรไม่ได้หรือเพคะสามีของหม่อมฉันก็เป็นคนรักเจ้ารักนายเหมือนกันถ้าได้ทรงปรึกษาหารือกันและเห็นชอบพร้อมกันที่จะทําอย่างนั้นการที่จะตั้งพิษณุโลกขึ้นเป็นราชธานีก็อาจจะทําได้แต่เจ้าฟ้าจีดกลับตอบว่าแต่สามีของเธอเขาอาจจะไม่มีทางกลับมาท่านผู้หญิงถามว่าทําไมเพคะ เจ้าฟ้าจีด ต, ตอบว่าเขาบังอาจขึ้นไปรบพมา่าโดยที่ไม่มีกำลังอะไรเขาจะต้องถูกฆ่าตายหรือถูกพม่าจับไปท่านผู้หญิงย้อนตอบไปว่าก็รอให้ทราบซิก่อนซิไปคะว่าสามีขโมมฉันจะเป็นอย่างไรแต่เจ้าฟ้าจีดปฏิเสธว่าฉันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดอะไรกับเธอให้ยืดยาวเธอจะขัดขวางไม่ให้ฉันครองหรือท่านผู้หญิงตอบว่า หม่อมฉันไม่มีกำลังและไม่มีอำนาจอะไรที่จะขัดขวางแต่สามีของหม่อมฉันได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาว่าการเมืองพิษนุโลกโดยพระบรมราชโองการแล้วก็ยังไม่มีการถอดถอนเวลานี้ก็ไปทับกำลังรบกับพมา่าอยู่หม่อมฉันเห็นว่าไม่เป็นการยุติธรรมเลยที่ใครจะมาจิงตำแหน่งครองพิษณุโลกเสียเจ้าฟ้าจีดไม่รับสั่งอะไรอีกแต่สั่งให้คนของตัวนาเอาท่านผู้หญิงไปคุมไว้ นิมนวนขอตามเข้าไปอยู่ในที่คุมขังด้วยเจ้าฟ้าจีดไม่ขัดข้องและทั้งสองก็ถูกนําตัวไปที่บ้านเล็กหลังหนึ่งซึ่งได้จัดเป็นที่กักขังเมื่อท่านผู้หญิงลงไปจักจูนแล้วเจ้าฟ้าจีดก็เข้าค้นเอาทรัพย์สิ่งของเงินทองของเจ้าพระยาพิสุนุโลกให้จุดเพลิงเผาจวนเสียแล้วไปหาที่ประทับอยู่ใหม่มีรับสั่งกวาดต้อนผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองและรักษาเมืองให้มั่นไว้ ด้วยวิธีดังกล่าวนี้เจ้าฟ้าจีดก็ได้ขึ้นครองพิษณุโลกโดยพละการพวกข้าราชาการเห็นว่าเป็นเจ้าใหญ่ในโตก็ไม่กล้าขัดข้องประการใดความเข้าใจของคนทั้งหลายในเวลานั้นมีอยู่เพียงว่าความเป็นไปในกรุงศรีอยุธยาคงจะระส่ำระสายอย่างเหลือเกินหรืออาจจะเกิดเหตุร้ายใหญ่หลวงขึ้นในกรุงศรีอยุธยาแล้วถึงกับเจ้านายที่ถูกขังก็หนีออกมาได้และมาตั้งตัวนั่งเมืองตามความพอใจ แต่ข้าราชการเกือบทุกคนเป็นคนของเจ้าพระยาพิษณุโลกถึงแม้จะไม่กล้าขัดขวางในการที่เจ้าฟ้าจิตขึ้นนั่งครองพิษณุโลกโดยไม่ต้องมีใครแต่งตั้งพวกนั้นก็ยังจงรักภักดีต่อเจ้าพระยาพิษณุโลกเพราะฉะนั้นในค่ำวันนั้นเองท่านผู้หญิงเชียงกับนิ่มนวลถูกขังไม่ตลอดคืนก็หนีไปได้ในคืนนั้นด้วยความช่วยเหลือของข้าราชการในเมืองพิษณุโลกนั่นเองท่านผู้หญิงนิ่มนวล และคนติดตามอีกหลายคนได้เดินทางทางเรือจากพิษณุโลกขึ้นไปสุขโขทยัยไปจนกระทั่งถึงฐานทัพที่ตั้งค่ายของเจ้าพระยาพิษณุโลกซึ่งกําลังประชิดเมืองสุขโขทยัยและสู้รบกับพมา่าอยู่ท่านผู้หญิงได้แจ้งข่าวความเป็นไปทุกประการให้เจ้าพยาพิษณุโลกทราบและในเวลาที่พูดกันนั้นหลวงจบไกลแดนก็อยู่ด้วยเจ้าพยาพิษณุโลกพูดกับหลวงจบไกลแดนว่า เราตกลงเลิกทับกลับพิษณุโลกเถอะหลวงจบไกลแดนถามว่าอย่างนั้นหรือครับเจ้าพญาพิษณุโลกพูดว่าฉันจะรบพม่าไปได้อย่างไรเมื่อฉันไม่ได้ครองพิษณุโลกเพราะมีคนอื่นมาแย่งครองเสียแล้วฉันก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่มีอาญาสิทธิ์อันใดที่จะเป็นแม่ทับฉันจะต้องกลับไปให้รู้แน่เสียก่อนว่าใครเป็นผู้ครองพิษณุโลกแน่แล้วจึงค่อยคิดการกันต่อไป นี่คืนนั่นเองกองทัพเจ้าพระยาพิษณุโลกรวมทั้งกองทัพเมืองเหนือบางเมืองที่มาสมทบก็เลิกทัพออกจากสุขโขไทยโดยที่ทางพม่าก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทําไมกองทัพไทยจึงเลิกไปเสียเฉยๆกองทัพเจ้าพระยาพิษณุโลกมาตั้งชุมพลอยู่ที่หลังเมืองพิจิตแล้วเคลื่อนกําลังขึ้นไปตั้งค่ายที่ท้ายเมืองพิษณุโลกทั้งเจ้าฟ้าจิต ก, ก็ได้เกณฑ์คนในเมืองพิสุโลกป้องกันรักษาเมือง แต่ไม่มีประโยชน์เพราะชาพิสนุโลกไม่มีใครเลื่อมใสในเจ้าฟ้าจีดซึ่งมาขึ้นครองเฉยๆการสู้รบก็เป็นแต่ยิงโต้อตอบกันซึ่งพวกที่อยู่ในเมืองต้องยิงโดยเกรงอาญาของเจ้าฟ้าจีดแต่ก็ไม่มีใจที่จะรบพุ่งในที่สุดกองทัพเจ้าพญาพิสนุโลกก็กลับเข้าเมืองได้ตัวเจ้าฟ้าจีดเองก็ถูกจับและถูกนาตัวมาให้เจ้าพยาพิสนุโลก เจ้าพยาพิสนุโลกตั้งกระทูถามเจ้าฟ้าจีด้วยตนเองว่าใครเป็นคนแต่งตั้งให้พระองค์ขึ้นมาครองพิสนุโลกเจ้าฟ้าจีรับสั่งตอบว่าเมืองพิสนุโลกเป็นเมืองสาคัญมากคนที่จะครองพิสนุโลกได้จะต้องเป็นเจ้านายสูงสักอย่างฉันเจ้าพย า, าพิสนุโลกถามต่อไปว่าแต่จะต้องมีการแต่งตั้งหม่อมฉันอยากทราบว่าใครเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าฟ้าจีรับสั่งตอบว่า ทางกรุงศรีอยุธยาระสัมระสายมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียบร้อยเป็นหน้าที่ของเจ้านายผู้สูงสัก์อย่างตัวฉันที่จะต้องหาทางสร้างความเจริญถาวรของบ้านเมืองใหม่แต่เจ้าพยาพิษณุโลกก็แย้งว่าแต่กรุงศรีอยุธยาก็ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่ถ้าพระองค์จะครองพิษณุโลกก็จะต้องได้รับการแต่งตั้งเสียก่อนหม่อมฉันจะเชิญสเสด็จพระองค์ลงไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อรับการแต่งตั้ง แล้วจึงเสด็จกลับขึ้นมาครองพิษณุโลกมาถึงตอนนี้เจ้าฟ้าจีดก็รู้พระองค์ว่าถ้าถูกส่งตัวลงไปกรุงศรีอยุธยาแล้วก็จะต้องถูกท่อนจันโดยไม่ต้องสงสัยพระองค์ได้สละทิฐิมานะยอมตัวอ้อนวอนความกรุณาเจ้าพยาพิษณุโลกขออยาให้ส่งกลับลงไปกรุงศรีอยุธยาพระองค์ยอมสารภาพผิดและรับว่าจะออกจากเมืองพิษณุโลกไปโดยไม่กลับมาอีก แต่เจ้าพญาพิสณุโลกไม่ใช่คนใจอ่อนและเจ้าฟ้าจีตก็ไม่ใช่บุคคลที่ควรจะได้รับความเมตตากรุณาจึงสั่งให้เอาตัวเจ้าฟ้าจีดเข้าเครื่องจองจำพันธนาการสั่งให้ต่อกรงเหล็กที่สามารถจะยกไปได้เอาตัวเจ้าฟ้าจีตใส่ในกรงเหล็กยกกรงเหล็กใส่ในเกวียนทำใบบอกให้หลวงจบไกลแดนถือและควบคุมตัวเจ้าฟ้าจีดเดินทางลงมากรุงศรีอยุธยาเจ้าฟ้าจีดได้ถูกเชิญเสด็จลงมาในกรงเหล็ก ภายในวงแวดล้อมของทหารในบังคับบัญชาของหลงจบไกลแดนเมื่อเดินทางมาถึงทุ่งสากเหล็กก็ได้ความว่ากองทัพพม่าได้ลงไปนครสวรรค์เสีแล้วการเดินทางต่อไปอาจจะต้องพบกองทัพพมา่าแล้วก็ไม่รู้ว่าผลจะเกิดขึ้นประการใดหลงจบไกลแดนจึงตกลงใจกลับพิษณุโลกและเจ้าฟ้าจีดก็ถูกนําพระองค์กลับพิษณุโลกภายในกรงเหล็กนั้นด้วยเมื่อได้กลับมาถึงพิษณุโลก เจ้าฟ้าจีดก็ได้พยายามวิงวอนขอขมาโทษถึงกับบอกว่าลูกสาวมีกี่คนจะยกให้เจ้าพระยาพิสนุโลกหมดขอแต่ให้ปล่อยให้รอดชีวิตไปเจ้าพระยาพิสนุโลกพูดว่าหม่อมชั้นก็ไม่ได้ทำอะไรหม่อมชั้นก็เป็นคนรักและเคารพต่อเจ้านายเสมอแต่หม่อมชั้นก็ต้องเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าเจ้านายพระองค์อื่ น, นเมื่อกรุงศรีอยุธยายังมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หม่อมฉันก็ไม่สามารถจะปล่อยให้ใครขึ้นนั่งเมืองโดยไม่มีพระบรมราชโองการหม่อมฉันจึงส่งพระองค์ลงไปเพื่อให้ได้รับพระบรมราชโองการเสียก่อนเจ้าฟ้าจิตรับสั่งว่าแต่ถ้าฉันลงไปถึงกรุงศรีอยุธยาฉันก็จะต้องตายเจ้าพญาพิษณุโลกพูดว่าแต่หม่อมฉันก็รู้สึกว่าไม่น่าเสียดายอะไรนักที่เจ้านายอย่างพระองค์เจ้านายที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะสิ้นพระชนไปเสีย เจ้าฟ้าจิตรับสั่งถามว่าแปลว่าท่านเจ้าคุณจะฆ่าฉันรึเจ้าพยาพิษณุโลกตอบว่าหม่อมฉันอยากจะเชิญเสด็จไปในที่ที่ผาสุขให้ไปครองเมืองบาดานเจ้าฟ้าจิีถามด้วยความตกใจว่าแปลว่าอย่างไรกันท่านเจ้าคุณเจ้าพยาพิษณุโลกตอบว่าอีกประเดี๋ยวก็จะได้ทรงเห็นแล้วเจ้าพยาพิษณุโลกก็สั่งให้ยกลงเหล็กขึ้นเกวียนนําไปที่ฝั่งน้ํา เจ้าฟ้าจีร้องออกมาจากกรงเหล็กว่าเจ้าคุณเจ้าคุณจะทำอะไรฉันเจ้าพญาพิสนุโลกตอบว่าหม่อมฉันจะเชิญเสด็จลงไปครองเมืองบาดานเพราะเห็นทรงอยากครองเมืองเต็มทีเจ้าฟ้าจีรับสั่งว่าเจ้าคุณจะฆ่าเจ้านายได้ลงคอทีเดียวหรือเจ้าพญาพิสนุโลกตอบว่าหม่อมฉันเป็นข้าราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใครที่เป็นกบฏหม่อมฉันก็ฆ่าได้ แม้ว่าจะเป็นเจ้านายชั้นสูงสักเพียงไรก็ตามเจ้าฟ้าจีดย้งว่าแต่ฉันไม่ได้เป็นกระบฏเจ้าพญาพิศนโลกตอบว่าทําไมจะไม่กระบฏเมื่อบอกว่าจะตั้งราชธานีใหม่จะตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่แล้วจะว่าไม่กระบฏอย่างไรถ้าหม่อมชั้นส่งพระองค์ลงไปกรุงศรีอยุธยาได้พระองค์จะทรงลําบากมากกว่านี้มีตายกันอย่างง่ายๆตายอย่างเยือกเย็นภายใต้น้ําลึกไม่ต้องถูกเครียน ถูกเหล็กแดงหน้าไปจนกระทั่งตายขณะนั้นกําลังเป็นเดือน12น้ําเต็มฝั่งไหลเชี่ยวจนแลเห็นกระแสน้ําเป็นสายๆอันที่จริงจะเป็นฤดูน้ํามากหรือน้ําน้อยมาถูกทิ้งลงไปทั้งกรงเหล็กให้จมน้ําก็จะต้องตายแต่ในสภาพที่น้ําเต็มฝั่งและกําลังไหลเชี่ยวอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นที่หน้าหวาดเสียวมากเจ้าฟ้าจีดได้ร้องพรรณนาหลายอย่างหลายประการเพื่อขอความการุณา แต่คนทุกคนก็แลเห็นว่าเจ้าฟ้าจีดควรจะได้รับโทษอย่างหนักในการกระทําของพ่อองค์ไม่มีใครที่จะรู้สึกเมตตาสงสารกลับเห็นกันว่าควรจะเคี่ยนจะขังและทรมานให้มากกว่านี้เสียอีกเจ้าฟ้าจีตร้องขึ้นในที่สุดว่าฆ่าฉันอย่างนี้ไม่ได้เจ้าพยาพิษณุโลกถามว่าแล้วฆ่าอย่างไรจึงจะฆ่าได้เจ้าฟ้าจิตรับสั่งว่าฉันเป็นเจ้านายสูงสัก จะต้องประหารชั้นด้วยท่อนจันเจ้าคุณเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เจ้าคุณต้องรู้ธรรมเนียมแต่เจ้าพญาพิสนุโลกตอบว่าหม่อมชั้นรู้ธรรมเนียมดีการประหารชีวิตด้วยท่อนจันนั้นคนอื่นจะสั่งประหารไม่ได้นอกจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าหม่อมชั้นประหารพระองค์ด้วยท่อนจันก็เท่ากับว่าหม่อมชั้นทําเทียมพระบรมเดชานุภาพหม่อมชั้นจึงต้องใช้วิธีอื่นแล้วเจ้าพญาพิสนุโลกก็ให้อาณัดสัญญาณให้คนผลักกงเหล็ก กลิ่งจากฝั่งพระอตกลงไปในแม่น้ำทุกคนทราบดีว่าที่ตรงนั้นเป็นตะลิ่งที่ชันมากกรงเหล็กจะต้องกลิ้งลงไปถึงก้นแม่น้ำแล้วเจ้าฟ้าจีตคงจะได้ครองเมืองบาดานอย่างเยือกเย็นสมกับที่เจ้าพญาพิสนุโลกว่า